ท่านต้องการจะโอว่าภิกษุเหล่านั้นก็เลยสอนว่าภิกษุไม่ควรทําการงานให้มาก น, นบอกตรงประเด็นเลยอย่าไปทำงานให้มันมากควรหลีกเล่นจากหมู่ชนไม่ควรขวนขวายเพื่อให้ปัจจัยเกิดขึ้นเพราะภิกษุใดเป็นผู้ติดรถอาหารภิกษุนั้นชื่อว่าขวนขวายเพื่อให้ปัจจัยเกิดขึ้นและชื่อว่าละทิ้งประโยชน์อันจะนํามาซึ่งความสุขให้ คือถ้าขวนขวายหมดแต่ติดใจในรถจะต่างอะไรจากปลาที่ขวนขวายเพื่อหาเบ็ดเล่าแล้วจะประสบแต่ความสุขความเจริญได้อย่างไรคือไม่ใช่ว่าท่านจะรังเกียจว่าอย่าได้ไปฉันอาหารอร่อยอะไรเป็นต้นเนี่ยนะท่านเห็นโทษในระยะยาวมากกว่าคือท่านเหล่านี้เป็นผู้มีสายตายาวไกลเมื่อมีสายตายาวไกลยอย่างเงี้ยท่านมองเห็นเรื่าการเพลดิดเพลินอย่างเนี้ยจะนำมาซึ่งอะไรเป็นต้นในภายหลัง ท่านก็บอกว่าอย่าเพลิดเพลินเลยเพราะถ้าโมแต่เพลิดเพลินโมแต่ติดใจฝากฝ่ายอยู่ในสิ่งเหล่านี้ท่านจะละทิ้งประโยชน์ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าโดยเฉพาะประโยชน์อย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนท่านจะเสื่อมจากสุขที่เกิดจากมรรคผลและ น, นิพพานพระอริยะทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกล่าวการกราบ ก, การไหว้การบูชาในสกุลทั้งหลายว่าเป็นเปื้อนตมและท่าน ท่านบอกว่าการคารพสักการะเนี่ยนะกับโคลนตมไม่มีความต่างกันเป็นลูกสอนที่ละเอียดถอนได้ยากเพราะลาบสักการะอันบุรุษชั่วละได้ยากอันนี้เป็นคำโอวาทที่พระมหากาจจยนะสั่งสอนพระภิกษุทั้งหลายอธิบายว่ากรรมมังผะหูกกรรมณการเยความว่าภิกษุไม่พึงปรารถนานะวากรรมที่ใหญ่อย่าไปต้องการอยากระสร้างใหญ่ๆสร้างเยอะ อ่ะ น, นะมีการให้สร้างที่อยู่ใหม่เป็นต้นจะไปควนควายในเรื่องการก่อสร้างอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเป็นเหตุัวพันต่อการบําเพ็ญสมณะธรรมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยนะก็สนใจสมณธรรมอยู่ดีพอก่อสร้างขึ้นมานั่งเมื่ อ, อไหร่มันก็นั่งก่อสร้างอยู่นในใจเพราะว่าพวกนี้มันต้องนั่งก่อสร้างในใจเสร็จแล้วมันจึงจะสร้างข้างนอกเสร็จได้ก็เลยควนควายนั่งคิดแต่สร้างกุติก็ได้ยินบ่อยๆว่าโอ้ช่วงนี้ผมนั่งเมื่อไหร่ก็อิดหินปูนทรายลอยเข้ามาหมดเลยเหมือนน ไปที่ไหนก็ได้ยินอะไรงี้แหละโรคของเจ้าวาดเท่านั้นส่วนการปฏิสังขรณ์สิ่งที่ชํารุดสุดโทรมที่จะลงมือทําเล็กๆน้อยๆเพื่อบูชาพระดํารัสของพระศ า, ศาสดาก็ควร ท, ทําทีเดียวแต่ก็ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยจนฝนรั่วก็ไม่สนใจอะไรจะผุอะไรจะพังก็ไม่ไสนใจอันนั้นก็เกินไปอีกพ่านพระพุทธเจ้าไม่ได้ชมนะพระองค์ก็ชมในการบูรณะปฏิสังขรณ์ในการดูแลเป็นต้นนะพระองค์ก็สอนให้บูรณะปฏิสังขรณ์เหมือนกัน บทว่าปริวัติชยะชนังความว่าควรหลีกระเว้นจากหมู่ชนด้วยอำนาจการคลุกคลีด้วยหมู่คณะอีกอย่างหนึ่งชนังความว่าเมื่อภิกษุเสวนาคบหาเข้าไปนั่งใกล้บุคคลเช่นใดกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปอกุศลธรรมเจริญขึ้นภิกษุควรหลีกเว้นหมู่ชนผู้ไม่ใช่กิเลสกาลยานามิตรเช่นนั้นเสียไอค้คาว่าควรหลีกเว้นเนี่ยก็คือคบใครและกุศลไม่เจริญห่างไปได้เท่าไหร่ดีที่สุด ใครที่ไม่ใช่กาลยา น, นมิตรควรห่างออกไปเนี่ยนะแต่ถ้าไปเกิดเข้าใจปาปามิตรว่าเป็นกาลยาณมิตรเขาล่ะก็สุดแท้แต่วิจารณญาณก็แล้วกันว่าถ้าถ้าอะไรนะถ้าภาษาธรรมะก็ใช่ว่ารู้ลักษณะถ้าอ่านลักษณะของผ่านบันดิตไม่ออกก็ก็ถือว่าตาถั่วเรียบร้อยแล้วถ้าตาถั่วก็ลำบากแล้วกั น, นี้ก็สุดแท้สุดแท้เหมือนจับฉลากเลยบทว่านนะ กุยยเมความว่าพิสุ์ไม่พึงพยายามด้วยการส่งข้อสกุลเพื่อให้เกิดปัจจัยการส่งข้อสกุลมีอะไรก็หยิบโน่นหยิบนี่ให้เข้าไปเดี๋ยวเขามีบางเขาจะเอาให้เราบ้างเป็นต้นอันนี้เรียกว่าการส่งข้อสกุลเพื่อให้เกิดลาภสการะและเกิดปัจจัยบอทว่าโสอุสุโกรสาานุกิโตอัถถังรินจะติ โยสุ ข, ขาที่วาโหความว่าภิกษุใดเป็นผู้ติดรถอาหารคือติดในรถอาหารด้วยอํนนานาจตันหาเป็นผู้ขวนขวายเพื่อให้เกิดปัจจัยขึ้นภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้ขวนขวายเพื่อสงเคราะห์สกุลเมื่อสกุลมีความสุขตนเองก็พลอยมีความสุขไปกับเขาเมื่อสกุลประสบความทุกข์ตนเองก็พลอยมีความทุกไปด้วย เมื่อกิจการงานของสกุลเกิดขึ้นก็เอาตนเข้าไปผัวพันละเว้นประโยชน์มีศีลเป็นต้นเกี่ยวพันจนทําลายศีลสมถาวิปัสนาอันจะนํามาซึ่งความสุขอันจะนําความสุขที่เกิดจากสมถาวิปัสนามรรคผลนิพพานมาให้ตัวเองกลายเป็นคนที่แตกจากประโยชน์มีศีลสมถาวิปัสนามรรคผลเนี่ยนะโดยส่วนเดียวพ ร, พระเถระก็โอวาท ว่าท่านทั้งหลายจงเว้นจากความยินดีในการงานละเว้นจากความยินดีในการคลุกคลีอย่าเตี้ยใจในรถของปัจจัยอย่าเตี้ยในอาหารอย่างนี้แล้วก็จะติเตียนถึงความมุ่งหวังลาภสกสาระว่าไอความมุ่งหวังเพื่อให้เกิดลาภสกสาระเนี่ยนะที่เหมือนเหยื่อเนี่ยเหมือนก็อธิบายว่าการไหวและการบูชานีา้ใดที่หมู่ชนทําตามในเรือนสกุล ทำเพื่อยกย่องคุณของบรรดชิตผู้เข้าไปเพื่อพิกษาเพราะพระอระิยะทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกล่าวชี้แจงหรือประกาศให้รู้ถึงการไหว้และการบูชานั้นว่าเป็นเปลือกตม้มเคยใครเคยเล่นโครนตอมบ้างไหมนะโครนตรมที่ยิ่งโครนตรมแบบอะไรนะโครนตรมที่กรุงเทพด้วยเนี่ยกลิ่นอะไรจะรุนแรงขนาดนั้นแล้วก็เปืือกนั้นก็ติดนานมากเพราะงั้น คือไม่อย่างมันข้ามมันไม่ก็อะไรนะเศษอาหารเศษอะไรเป็นต้นมันก็หมักหมกหมมากใช่ไหมมันก็เวลาแปดเปื้อนแล้วก็ฉันใดการกราบการไหวาการบูชาก็ฉันนั้นทําไมละ่ะทําไมการกราบการไหวาการบูชาจึงเป็นเหมือนกับโคลนตมละ่ะก็เพราะว่าทําลายผู้ที่ยังไม่ได้อบรมตนให้จมลงไปในโคลนตมใครที่ไม่ได้อบรมตัวเองให้ดีด้วยศีลสมถามวิปัสนาเป็นต้นเมื่อมาเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ก็ถูกสูบลงไปใน บ่อโครนถ้าถ้าคิดถึงกันนะสมัยที่ที่ที่ททแม่น้ํามูลแม่น้ํามูลเนี่ยลงเรื่องไปไวไอข้ข้างล่างข้างล่างแก่งตนะนาแนนข้างล่างแก่งตะนะแก่งซะพือไปแถวนั้นเนี่ยจะมีหน้าที่เขาเปิดเขื่อนหน้าเปิดขเขื่อนก็จะมีโครนมีโครนมีตมเป็นต้นเนี่ยนะเวลาเขาหาไส้เดือนนี่เขาทํางไงเขามุดน้ําลงไปโกยโครนแล้วหาไส้เดือนนันะ แล้วก็บางทีก็มุดดินขุดแล้วก็เอาคโคลนขึ้นมาแล้วก็แวกแวบดูว่ามีไส้เดือนในนั้นไหมทั้นการติดในนี้อย่าคิดนะว่าแบบดูแบบน้ําใสๆข้างล่างมีคโคลนตอมสักไสเดือนอยู่ใต้คโคลนตอมอีกครั้งนึงนั่นเป็นผลที่เกิดจากติดในรถอาหารมันถ้าไม่ได้อบรมตนให้ดีด้วยศีล ส, สมถามวิปัสสนาก็ถูกสูบลงไปอย่างนั้นแหละก็ไปชอนชัยอยู่อย่างนั้นแหละและคําว่าที่เรียกว่าเปลือกตมเพราะทําให้มวมหมองใครที่เปื้อนคโคลนจะเป็นยังไง ฉันใดคนที่มีจิตใจหมกมุ่นเปื้อนด้วยลาบสการะก็ฉันนั้นและ เ, เพราะกล่าวถึงการมุ่งลาบสการะของอันท่าปุตุชนปุตุชนผู้มืดบอดยังไม่รู้ทั่วถึงธรรมขันคือยังไม่รู้ทั่วถึงศีลสมถาวิปัสนาเป็นต้นเนศีลขันสมาธิขันปัญญาขันกองคุณแห่งศรรีลกองคุณแห่งสรรมถะกองคุณแห่งวิปัสนาท่านบอกว่าการมุ่งหวังลาบสการะแบบนี้ เป็นลูกสอนที่ละเอียดที่ถอนได้ยากเพราะเกิดเป็นความเบียดเบียนมันเบียดเบียนมันทิ่มแทงอยู่ในหัวใจเนี่ยนะและขมขีในภายในขณะเดียวกันก็ถอนได้ยากเป็นเหตุเป็นสภาวะอันบุคคลเนี่ยรู้ได้ยากเนี่ยนะก็เรียกว่าคนที่ติดเปื้อนในสิ่งเหล่านี้ก็ยากที่จะรู้ว่าตัวเองกำลังกำลังถูกลูกสอนเนี่ยักอยู่ เพราะฉะนั้นแลสักการะการบูชาสรรเสริญอันบุรุษชั่วละได้ยากคือละได้โดยยากท่านบอกมันยากจริงๆริงอนะเพราะดําเนินไปตามข้อปฏิบัติเพื่อละเครื่องสักการะนั้นเพราะสักการะจะเป็นอันบุรุษละได้ก็ด้วยการละความมุ่งหวังลาบสักการะถ้าหากว่าจะละลาบสักการะสรรเสริญได้จริงก็ต้องทําเพื่อความไม่ไม่หวังลาบสักการะเอาธรมะการทําเพื่อไม่หวังลาบสักการะทํำยังไง ก็แทนที่จะทําเพื่อลาบสการะก็ทําเพื่อบูชาพระัตนะไตรมีใจมุ่งไปหาพระพุทธเจ้ามีใจมุ่งไปหาพระธรรมไม่ใช่มีใจมุ่งไปหามหาพูดลาบสการะเบื้องหลังคืออะไรก็คือมหาพูดก็คือดินน้ําลมไฟต้องไม่ลืมว่าดินน้ําลมไฟคือมหาพูดมหาพูดเหล่านี้ก็คือมหาพูดวันยังค่ําแปลว่าแปลว่าอะไรมหาพูดแปลว่ามหาผีเอามันหลอกนะ ก็ถูกพีเรากผมร่วมมานะงอกเร็วเลยเพราะงั้นถูกหลอกถูกมหาพูดมาหลอกเอานะมันก็ตั้งจิตนะนะก็คือทําเจริญกุศลเหล่าใดก็อย่ามุ่งหวังเพื่อให้เกิดาลาภคือมหาพูดอย่าตั้งเป้าหมายเพื่อมหาพูดแล้วตั้งเพื่ออะไรล่ะนั้นก็บอกว่าถ้าตั้งจิตเอาไว้ชอบมันก็ไม่มีปัญหาก็คือตั้งเพื่อเพื่อกุศลชั้นสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อพระรัตนาตรานั่นแหล ท่านก็เลยแสดงแสดงธรรมประกอบความเพียรเพื่อละสักการะเหล่านั้นเป็นกรณียกระดีที่ภิกษุควรจะทาแล้วท่านก็มีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าปัจจันตรชพระเจ้าปัจจัตนต์ตรโชนี้ตัดสินคดีไม่ดีก็เลยสอนพระเจ้าปัจจันตรโชในฝันฝันอยู่ท่านก็เทศนะนะก็ได้ยินถึงในฝันเหมือนกันนะท่านเก่งขนาดนั้น ที่ท่านบอกว่าภิกษกุไม่ควรแนะนําสัตว์อื่นให้ทํากรรมชั่วไม่พึงซ่องเสพกรรมนั้นด้วยตนเองเพราะสัตว์มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เพราะถ้าเราทําไม่ดีแล้วใครรับล่ะนั้นคนคนเราเนี่ยนะย่อมไม่เป็นโจรเพราะคําของบุคคลอื่นคือเราเนี่ยไม่ใช่เป็นคนเป็นผู้ร้ายเพราะคําของคนอื่นที่เขาดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามเราหรอกขณะเดียวจกเดียวกันเนี่ยนะเราก็ไม่เป็นมุ่นีคือเป็น ปาหรือเป็นผู้รู้เพราะคำของบุคคลอื่นมันเราจะเลวก็ไม่ได้เลวเพราะคำของคนอื่นเราจะดีก็ไม่ได้ดีเพราะคำของคนอื่นไม่ใช่ว่าเอ ى, เราก็อยู่ของเรานี่แหละถ้าเข้ามาชมเออเข้ามาด่าเราว่าเราเลวเราก็เลยเลวไปเลยกลายเป็นคนเลวเพราะคำของคนอื่นหรือเราจะวิเศษวิโสเพราะคำของบุคคลอื่นก็ไม่ใช่เพราะอะไร เพราะว่าคนอื่นรู้จักตนเองว่าเป็นอย่างไรสมมติแต่ละคนนะรู้จักว่าตัวเองเป็นอย่างไรแม้เทพเจ้าทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเขาก็รู้จักบุคคล น, นั้นว่าเป็นอย่างนั้นถ้าแท้ของผู้ใดคนนั้นจะรู้จักตัวเองดีถ้าแท้ของตัวเองเป็นเช่นใดเทวด า, เ, วาเขาก็เห็นเช่นนั้นนั่นแลก็คนพวกอื่นย่อมไม่รู้สึกตัวว่าพวกเราที่สมาคมนี้จกพากันย่อยยับ ก็คือทุกคนรู้ไหมว่าในสมาคมทุกคนเนี่ยนั่งรออะไรนั่งรอความตายจะไปเร็วไปไหนนไม่อยากจะพูดเลยนะเดี๋ยวเป็นจริงเข้าจะว่าไงเอาไม่พูดมันก็จริงอยู่แล้วล่ะเชื่อเถอะจะเร็วหรือจะช้าเท่านั้นแหละในหมู่ชนพวกนั้น ช, ชนเหล่าใดมารู้สึกตัวว่าพวกเราจะพากันไปสู่ที่ใกล้มัจจุราชความทะเลาะวิวาทย่อมสงบระ ง, งับเพราะพวกนั้น ก็เหมือนกับว่าสมมติถ้าไก่มันรู้สักนิดหนึ่งนะเราจะทะเลาะ ก, กันไปทําไมก็เราอยู่ในสุ่มเช้ามาเขาก็ต้มหมดแล้วไม่รู้จิตตีกันไปทําไมเดี๋ยวเราก็ตายกันแล้วเนี่ยทุกคนก็เหมือนกันจะลงอาดยาจะถูกประหัรประหารจะถูกทิ่มถูกแทงถูกแข่งถูกฆ่าแล้วจะมาทะเลาะ ก, กันทําไมบางันบุคคลผู้มีปัญญาถึงจะสิ้นทรัพย์ก็ยังเป็นอยู่ได้ส่วนบุคคลถึงจะมีทรัพย์ก็เป็นผู้อยู่ไม่ได้เพราะไม่มีปัญญา คือถ้าขาดปัญญาเนี่ยนะถึงจะมีทรัพย์ก็อยู่ไม่ได้เดียวก็หมดตัวส่วนคนที่มีปัญญาถึงจะสิ้นทรัพย์ก็ยังอยู่ได้เสร็จแล้วก็ตอนนั้นก็ท่านก็สอนครับพี่ตอนนั้นก็ไปพบพระเจ้าปัจจันต์แต่ชั่วก็ไปสอนว่าบุคคลย่อมได้ยินเสียงทุกอย่างด้วยหูย่อมเห็นสิ่งทั้งปวงด้วยจักสุแต่นักปราชุด้วยอดนักปราชญ์ย่อมไม่ควรละทิ้งสิ่งทั้งปวงที่ตนได้เห็นได้ฟังมาหมายความว่า ไม่ใช่สิ่งที่เห็นทิ้งไปหมดสิ่งที่ได้ยินก็ทิ้งไปหมดอะไร ท, ouais. ท, ที่เป็นโทษก็ทิ้งไปไอะไร ท, e. ที่เป็นประโยชน์ก็นําเข้ามาก็แสดงว่าท่านสอนให้เราแยกแยกว่าการเห็นใดที่เป็นประโยชน์เห like ็นใดเป็นไปเพื่อประโยชน์ให้ถือเอาการเห็นสิ่งเหล่านั้นฟังสิ่งใดที่ฟังแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์ก็ให้เลือกฟังสิ่งเหล่านั้นแต่ก็ไม่ว่าไม่สนใจกับทุกเรื่องก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นผู้มีปัญญาถึงมีตาดีก็ทําเป็นเหมือนคนตาบอด อั น, นั้นกรีว่าขัดทําทเป็นตาบอดสะบังก็ว่า ง, างนันถึงมีหูดีก็ทําเป็นเหมือนคนหูหนวกถึงมีปัญญาก็ทําเป็นเหมือนคนใบ้ถึงมีกําลังก็ทําเป็นเหมือนคนทุรพลหมดเรี่ยงแรงแต่เมื่อประโยชน์เกิดขึ้นเมื่อนอนอยู่ใกล้เวลาตายก็ยังทําประโยชน์นั้นได้แต่ก็ไม่ใช่ทําตัวโง่ก็เลยโง่เข้าจริงๆก็ไม่ใช่นะทําตัวแบบคล้ายคนโง่แต่ไม่โง่สามารถสแสวงหาประโยชน์โดยเฉพาะประโยชน์อย่างยิ่งคือ พระนี่ผ่านได้คลยนะอธิบายในอัตถกามีตามลำดับว่าคือครั้งหนึ่งพระราชาพระองค์นั้นเนี่ยเชื่อพวกพราหมณ์แล้วก็รับสั่งให้ฆ่าศัตว์บูชายัญพระองค์งก็ไม่สอบสวนกระทำการนั้นให้ท่องแท้พระองค์งก็ลงอาอยาคนที่ไม่ใช่โจรเพราะสำคัญผิดคิดว่าเป็นโจรแล้วก็ตัดสินคดีความก็ตัดสินคนผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของให้เป็นเจ้าของ และทรงตัดสินธรรมผู้เป็นเจ้าของเดิมไม่ให้เป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นก็เลยสอนพระราชาว่าไม่ควรแนะนำสัตว์อื่นให้ซ่องเสพกรรมชั่วมีการฆ่าและการจองจำเป็นต้นคือไม่ควรชักชวนคนอื่นให้ทำการฆ่าและการจองจำบอทว่าอัตนาตังนะเสวยยะความว่าแม้ตนเองก็ไม่ต้องทำกรรมชั่วนั้น คือไม่สอนคนอื่นให้ทำชั่วขณะเดียวกันต้องไม่ทำชั่วด้วยเพราะอะไรล่ะเพราะสัตว์มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ความว่าสัตว์เหล่านี้เป็นทายาททายาทแปลว่าผู้รับมรดกของกรรมเพราะฉะนั้นตนเองต้องไม่ทำกรรมชั่วอะไรอะไรเลยทั้งยังไม่ชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมชั่วนั้นด้วยเนี่ยนะตัวเองก็อย่าทำอย่าไปชวนใครทำเขาล่ะ บทว่าณเปรย ว, ว จ, จนาโจโรความว่าตนเองไม่ได้ทำไม่ได้กระทําโจรกรรมจะเชื่อว่าเป็นโจรเพียงถ้อยคําของบุคคลอื่นนั้นหาไม่ได้ไม่เป็นมุนีเพราะคําของบุคคลอื่นก็เช่นกันคือมุนีเนี่ยนะจะเป็นผู้มีกายสมาจารย์วจีสมาจารย์มโนสมมาจารย์บริสุทธิ์ด้วยดีไอความว่าอู้คนนี้ดีเลือกเกินการกระทําก็ดีพูดก็ดีคิดก็ดีเพียงแต่คํายกย่องสรรเสริญเป็นเช่นนั้นไหม ไม่ได้เป็นตามคําของคนอื่นรอนั้นคนเราอื่นจะกล่าวอย่างไรเนี่ยนะถ้าคนนั้นไม่เป็นจริงตามนั้นมันก็คือคําที่ไม่จริงบอทว่าอัตนาจะนังญะทาเวทีบุคบุคคนรู้ตนคือจิตที่คล้องแล้วนั้นว่าเป็นอย่างไรคือรู้แจ้งชัดตามความเป็นจริงว่าเรานี่แหนละเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ทุกคนรู้ตัวเองอยู่แนละ้วว่าเราเป็นเป็นเช่นไรเนี่ยนะ บทว่าเทวาปินังตระทวิถูความว่าวิสุทธิเทพคือพระอาหารหันต์ทั้งหลายอุปติเทพคือเทวดาทั้งหลายย่อมรู้ชัดบุคคล น, นั้นว่าเป็นเช่นนั้นคือเรารู้จักตัวเองเช่นใดไปทําอะไรมาแค่ไหนอย่างไรพระอาหารหันต์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเขาก็เห็นเหมือนเรานะเนี่ยเพราะตนเองและเทพเช่นนั้นแหละเป็นประมาณแห่งความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์เราบริสุทธิ์บริสุทธิ์จริงหรือไม่จริงเรารู้ เราบริสุทธิ์จริงหรือไม่จริงข้าราชรทั้งหลายเทวดาทั้งหลายท่านรู้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ส่วนคนอื่นเนี่ยไม่แน่นอนเพราะอะไรเพราะบางคนที่ถูกความหยาบครอบงำถูกความโกรธครอบงำไม่รู้ชาตร้อนนะบางคนเนี่ยก็ชมเพื่อจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งบางคนก็ตำหนิเพื่อที่จะจะได้อะไรอีกสักอย่างหนึ่งเานั้นก็กลายเป็นคู่ที่มีสายตาอยู่ด้วยอคติทั้งหลาย เพะฉนัคำว่าเปรยความว่าเว้นบัณฑิตเสียคนอื่นชื่อว่านอกจากบัณฑิตคนอื่นที่นอกจากบัณฑิตเนี่ยนะผู้ไม่รู้จักว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นกรรมมีโทษอะไรเป็นกรรมไม่มีโทษอะไรเป็นกรรมอะไรผลแห่งกรรมอะไรเป็นความไม่งดงามแห่งร่างกายและความที่สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงอันนี้ชื่อว่าคนพวกอื่นในทีน่นี้คนอื่นนอกศาสนานี้ ไม่รู้รอกว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรทําแล้วเนี่ยย่อมเสวยผลแห่งความสุขอะไรทําแล้วได้เสวยแต่ความทุกข์ขณะเดียวกันคนเหล่านั้นก็ยังไม่รู้รอว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาและปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกําหนัดเขาไม่รู้รอกพวกเราในสมาคมนี้นั้นชื่อว่าชีวะโลกนี้จับพากันยุบยับคือจับพากันละเวน คือพวกเราจะพากันไปสู่ที่ใกล้ปากมัจจุราชอันเป็นสถานที่สงบแล้วนเนืองแต่ที่จริงของเราเนี่ยค่อยๆขยับตัวเคลื่อนไปทีละวินาทีเพื่ออะไรวินาทีนี่เร็วหรือช้าขยับตัวไปเป็นนาทีเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นคืนเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีเคลื่อนตัวไปหามัจจุราชเนี่ยนะก็น่าจะเรียกว่าน่าจะรู้ตัวน่าจะทบทวนแล้วว่าเราทั้งหลายพากันเดินไปสู่ ปากแห่งมัจจุราชแต่บัณฑิตเขารู้สึกตัวอยู่ว่าเราจักไปสู่ที่ใกล้มัจจุราชเนี่ยนะยางไงก็ตายแล้วเนี่ยนะได้สมบัติอะไรไปบ้างเนาะขนอะไรไปบ้างขนบุญหรือขนบาปไปเนาะไอคอยู่เฉยๆเนะี่ยไม่มีหรอกเนี่ยนะเพราะความคิดหนึ่งความคิดไม่เป็นบุญก็เป็นบาปขยับตัวหนึ่งครั้งเนีไม่เป็นบุญก็เป็นบาปคำพูดกระดกลิ้นหนึ่งทีไม่บุญก็บาปพราะนั้นพูดอะไรมากก็เอาไปก็แล้วกันไม่เอาไปมันก็ตามไปอยู่แล้วเนาะ บทว่าตะโต้สัมมันติเมฆถาความว่าก็ชนพวกนั้นที่รู้จักตัวแล้วอย่างนั้นก็จะปฏิบัติเพื่อสงบระงับการทะเลาะวิวาสคือเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นได้เด็ดขาดนะทั้งคนพวกอื่นนอกจากตนเองก็ไม่ทะเลาะวิวาสไม่เบียดเบียนกันสรุปว่าใครจะทะเลาะก็ทะเลาะไปใครไม่ทะเลาะก็ตามใจเหมือนกันแม้เอ่อก็ท่านแม้ทําคนที่ไม่ใช่โจรให้เป็นโจรเพราะเหตุแห่งชีวิต แล้วตรงนี้ก็ตาหนกพระเจ้าปัจจันตตรชดนะจริงๆอ่ะคนนั้นไม่ใช่โจรแต่ท่านก็ทำให้เขาเป็นโจรแล้วก็ลงอาญยาทั้งนะนะลงอาญยาก็คือการทุบ ก, การเคี่ยนการตีตลอดจนถึงการประหารขณะเดียวกันทรัพย์สินที่คนที่ไม่ใช่เจ้าของก็ทำให้เป็นเจ้าของก็ทำเจ้าของไม่ให้เป็นเจ้าของเบียดเบียนคนอื่นจนถึงความเสื่อมทรัพย์เพราะความบกพร่องทางปัญญา ก็บอกเตือนพระราชาเลยว่าบกพร่องทางปัญญานะบกคลผู้ไม่ทําตามนั้นชื่อว่าผู้มีปัญญาคือคือทำตรงนันข้ามหมดอันนะัเรียกว่าผู้มีปัญญาคนมีปัญญาถึงจะสิ้นทรัพย์ก็ยังเป็นอยู่ได้คือถึงจะหมดอา่าเรียกว่าทรัพย์ถึงจะหมดสิ้นไปแต่ก็ยังมีปัญญาสันโดษยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้เลี้ยงชีวิตด้วยการงานที่ปราศจากโทษอย่างเดียวชื่อว่าชีวิตของผู้ที่มี ปัญญาฟันผู้ที่มีปัญญาก็อยู่ได้ด้วยความผาสุกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านักตรัสทั้งหลายกล่าวความเป็นอยู่ด้วยปัญญาว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยนะชีวิตที่ประเสริฐที่สุดก็คือชีวิตที่ดําเนินไปตามคันลองแห่งปัญญาเนี่ยนะปัญญาเป็นผู้ชี้แน่ว่าการกระทําเหล่านี้มีผลต่อไปอย่างไรเนี่ยเพราะว่าทุกครั้งที่เราทำเนี่ยนะทุกคําที่เราพูดคืออะไรคือพาะเมล็ดพันธุ์ นะก็คือการเพาะปลูกทุกคําทุกคําที่เราพูดเราก็เป็นเจ้าสุเจ้าของสวนเมจีกรรมเจ้าของสวนกายกรรมเจ้าของสวนมโนกรรมเราเพาะอะไรไว้ละ่ะตลอดชั่วชีวิตของเราเนี่ยนั่นแหละคือเราจะบริโภคสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นพระ อ, องค์จึงบอกว่าชีวิตของผู้ที่มีปัญญานี่ประเสริฐสุดก็เลือกทําเลือกพูดแล้ว เลือกคิดเรื่องเลือกสร้างเหตุที่ดีที่เป็นปัจจัยแห่งความสุขและความเจริญส่วนบุคคลผู้มีปัญญา3้ำเนี่ยนะถึงจะมีทรัพย์ก็ทําทรัพย์ที่เป็นที่ตธรรมและสำหรัยยบยาภพให้ล้มเหลวเป็นอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีปัญญาคนที่ขาดปัญญาทําลายทรัพย์ในชาติทําลายทรัพย์ในโลกนี้ทําลายทรัพย์ในโลกหน้าทําลายโภคทรัพย์ของโลกนี้และทําลายอริยทรัพย์ใน ชาติหน้ามันคนที่เสื่อมปัญญาทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นสรุปว่าเสื่อมทั้งโลกนี้เพราะเสื่อมโภคะโลกหน้าก็เสื่อมจากอริยทรัพย์มั น, มนเมื่อไม่มีอริยทรัพย์แล้วจะเกิดในสุขคติได้อย่างไรมันผู้ที่ไม่มีศรัทธาไม่มีศีนไม่มีฮิริโอตต ป, ปะไม่มีสุตตะไม่มีจากะไม่มีปัญญาเขาจะเจริญได้อย่างไรเขาจะอยู่ได้อย่างไรแลวเขาจะไปอย่างไรเนี่ยนะนต่อไปบอกว่า เชื่อว่าจะเป็นอยู่ด้วยความเป็นไปแห่งถ้อยคำคอรหาเป็นต้นหามิได้สรุปว่าคนมีปัญญาเนี่ยนะ เ, เป็นคนที่ไม่ทำลายทรัพย์ทั้งในโภกทรัพย์และอริยทรัพย์ไม่เสื่อมจากโภกทรัพย์และไม่เสื่อมจากอริยทรัพย์นั้นชีวิตของผู้มีปัญญาจึงเป็นชีวิตที่ประเสริฐผันคนพ า, าคนผู้มีปัญญาเนี่ยนะสามารถที่ทำทรัพย์ที่พี่หน้าทำให้ทรัพย์นั้น เกิดขึ้นได้ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะมีชีวิตดำรงอยู่ได้ยอย่างสงบสุขและก็อย่างผาสุขําพูดที่หมดนี้ก็สอนพระราชาขณะที่กําลังบรรทมอยู่แหมเกิดมาเกิดมาสมัยมีบุญเนี่ยหลับก็ยังฟังธรรมเลยนะของเราสมัยนี้ก็เทปเตยทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมต่างจากสมัยก็บอกว่าบางคนเนี่ยนะเปิดเทปฟังเปิดทิ้งไว้ใช่แล้วก็หลับ หลับก็ฝันก็ฟังแต่ธรรมะเลยว่างั้นโอ๊ยฟังเลยตื่นขึ้นมาเอ้ายังเทศต่ออีกเลยนะบอกว่าพระราชานิ่สุบินนะก็นมาศการพระเถระก็ตื่นพอราตรีสว่างจริงก็ฝันฝันว่าฟังธรรมนะเสร็จแล้วเช้าก็ไปเข้าไปเฝ้าเข้าไปหาพระเถระพระองค์ไหว้แล้วก็เล่าถึงความฝันตามที่พระองค์เห็นให้พระเถระฟังพระเถระฟังแล้วก็กล่าวซ้อมพระราชาต่อไปว่า สอนสอนพระราชาว่าไงสอนว่าบุคคลย่อมได้ยินเสียงทุกอย่างด้วยหูย่อมเห็นสิ่งทั้งปวงด้วยจักสุแต่นักปราชญ์ย่อมไม่ล ะ, ะไม่ควรละทิ้งสิ่งทั้งปวงที่ได้เห็นและได้ฟังมาอธิบายว่าบุคคลผู้ไม่หนวกย่อมได้ยินเสียงพอที่จะได้ยินชัดทั้งหมดที่มาปรากฏสิ่งที่เราได้ฟังเนี่ยนะฟังทั้งคาที่เป็นคาสุภาษิตและฟังคาที่เป็น ทุพสิทิตฟังสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีด้วยหูด้วยโสตประสาทนะคนที่ตาไม่บอดก็เหมือนการเห็นรูป ท, ทั้งที่รูปที่เห็นแล้วมีประโยชน์และเห็นแล้วไม่มีประโยชน์บรรดาสิ่งที่เห็นนั้นเนี่ยนะผู้มีปัญญาไม่ควรสละทิ้งหรือไม่ควรยึดถือทั้งหมดทิ้งทั้งหมดก็ไม่ใช่ถือเอาหมดก็ไม่ใช่แต่เลือกเลือกอะไรนะเลือกคือพิจารณาถึงคุณ ถึงโทษของแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งว่าสิ่งนี้มีคุณอย่างไรสิ่งนี้มีโทษอย่างไรสิ่งนี้มีประโยชน์หรือสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์ในรูปและเสียงเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจะทิ้งเฉพาะสิ่งที่ควรทิ้งจะถือเอาสิ่งที่ควรถือเอาสิ่งใดมีประโยชน์ก็ถือเอาสิ่งใดไม่มีประโยชน์ก็ทิ้งไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนมีปัญญาถึงมีตาดีก็ทําเป็นเหมือนคนตาบอดอะไรที่เห็นแล้วไม่นํามาซึ่งประโยชน์ก็ทําเป็นตาบอดซะ อันไหนที่เห็นแล้วดีก็ทําเป็นคนตาดีจริงๆเหรอเนะเพราะหมายว่าถ้าเรารู้ทุกเรื่องในความเลวร้ายของชนเราอื่นไปหมดเราจะได้เก่งขึ้นไหมไม่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นบอดซะบ้างก็ดีในบางบางอารมณ์เนี่ยนะในบางสีหนวกซะบ้างในบางเสียงก็ดีเนี่ยนะไม่ได้ยินแต่หลายเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ถือเอาพิษภัยและทุกโทษโดยเฉพาะคําที่เป็นทุกภาสติถ้าเราได้ยินไปหมดเนี่ยนะนะเราก็ติดอะไรติดชื่ติดโรค ติดโรคประเภทนั้นมาถ้าไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็ติดโรคเหล่านั้นมาเป็นต้นเพรา ะ, ะนั้นบางอย่างก็ควรทิ้งบางอย่างก็ควรถือเอาก็แยกนะแยกเพราะว่าผู้มีปัญญาก็คือปัญญาเนี่ยยังชอบที่ที่กล่าวไว้ในอัตถะธรรมบทที่บอกว่าปัญญานี่ไม่ได้มีไว้ต้มยำทำแกงอะไรหรอกปัญญาเขามีไว้พิจารณามีเอาไว้ใข้ครวญแยกแยะจาแนกดีชั่วเป็นต้นนั่นแหละบทว่าปัญญวาส ยะถามูโคคนมีปัญญาแม้จะฉลาดในถ้อยคำก็พึงทำเป็นเหมือนคนใบ้เนี่ยนะคือบางทีเนี่ยนะเรารู้ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องพูดไปทุกเรื่องไม่จำเป็นว่างั้นต้องบางทีก็ใบ้สเปนบ้างก็ดีในเมื่อไม่ควรจะพูด เพราะมีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาคือพิจารณาก่อนบางทีพี่พูดไปแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรยิ่งไปพูดให้คนที่เขาไม่อยากรู้ไม่อยากฟังเป็นต้นฟังแล้วพูดผิดการพูดผิดเวลาพูดแล้วไม่ถูกใจเขาเป็นต้นแทนที่จะได้ดีกลับเป็นอะไรดีไม่ดีถ้าเป็นในชาดอกถูกซ้อมซะสลบเลยก็มีเราพูดผิดเนี่ยนะเรียกว่าพูดผิดงานพูดผิดเวลาแล้วก็พูดผิดบุคคลถึงจะพูดถูกก็ไม่ได้แปลว่าคนชอบเสมอไปเนี่ยนะ คนมีกําลังถึงพร้อมด้วยกําลังก็พึงทําเป็นเหมือนคนทุรพลบางทีเนี่ยนะจะ ต, ต้องทําตัวพิการซะบ้างจะได้ไม่ทําชั่วเนี่ยนะบอกว่าถ้าจะทำชั่วขอให้ป่วยซะดีกว่าใช่ไหมไข้ขึ้นเลยเวลาจะทําชั่วเนี่ยนะเออบางคนนี่เป็นยังไง้วจะไปทําชั่วทีไรก็ป่วยทุกทีเลยก็เลยอดทําชั่วเลยนะเรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บช่วยรักษาเอาไว้ก็งั้นก็เลยอดทําชั่วเลยอย่างนั้น เขบอก ว, ว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะทําชั่วนี่เราทำให้เป็นคนไร้ความสามารถเสียก็หมดสมรรถภาพเพของมันบทว่าอะทะอัตเทสมุปปนเนสยท ะ, ะมะตะสาสิกังความว่าเมื่อประโยชน์ที่ตนควรทําได้เกิดขึ้นคือปรากฏขึ้นประโยชน์นี้เนี่ยนะประโยชน์ที่เกิดขึ้นแม้นอนอยู่ในเวลาใกล้ตายแม้จะอยู่ในเวลาใกล้ตายก็ต้องพิจารณาถึงประโยชน์นั้นแลไม่ยอมให้ประโยชน์นั้นล้มเหลว คือแม้แต่เวลาใกล้าตายสมมติถ้าเราถ้าเราก่อนจะตายเนี่ยเราคิดถึงประโยชน์ได้ไหมคิดถึงประโยชน์คือคนงามความดีที่เราได้ทํำไ้แล้วในชาตินี้อะไรเป็นสเสบียงเพื่อไปในพบหน้าต่อๆไปขณะเดียวกันคนที่มีปัญญาศึกษาพระธรรมมาเป็นอย่างดีเชื่อไหมชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเป็นชั่วโมงที่บรรลุอารหาันต์ไม่ใช่น้อยชั่วโมงที่เขาบรรลุมรรคผลก็คือชั่วโมงก่อนตายะนะเขาสามารถทํากิจเหล่านั้นได้ เพราะฉะนั้นคนที่เวลาใกล้จะตายก็สามารถที่จะทาประโยชน์ได้เนี่ยนะท่านก็สรุปว่าตาดีก็ทำเป็นตาบอดบ้างหูดีก็ทำเป็นหูหนวกบ้างถึงจะมีกําลังก็ทำเป็นไม่มีเรี่ยวมีแรงบ้างถึงจะฉลาดก็ก็ทำเป็นเข่าซะบ้างเนี่ยนะทาไม พระไม่งันนี้ก็จะเอาความสามารถเหล่านี้ไปทําบาปได้อีกเยอะเนี่ยนะมันในโลกนี้ไม่ถามว่าอะไรมันน่ากลัวที่สุดก็ใจของเรานี่แหละมันน่ากลัวที่สุดพอมันเป็นอกุศลนะมันก็ทะลักออกมาท่วมทับนะสร้างสร้างแต่ความเป็นศัตรูให้แก่ตัวเองนะนี้ก็เป็นคําแนะนําตักเตือนของพระมหากัจจานะในเถระคถ า, าซึ่งเราทั้งหลายได้ศึกษาธรรมะโดยเฉพาะเนติ ป, ปกรณ์มาหลายครั้งด้วยกันนะในที่สุดก็มาอย่างว่า ถึงการละอาวาสารแลก็จบถือว่าจบลงด้วยดีเนี่ยนะอันนั้นสรุปทบทวนว่าคุณงามความดีบุญกุศลที่เราได้เงี่ยสดลงสระประธรรมที่พระหมหากจัจนะได้เรียบเรียงในเนติปะกรณ์ตนถึงในอัอาต า, าในเทรคถาเป็นต้นเนี่ยนะคุณงามความดีบุญกุศลที่เราทั้งหลายได้กระทาด้วยกันมาด้วยดีนี้ขอคุณงามความดีเหล่านี้ ขอให้เราทั้งหลายพ้นจากความทุกข์พ้นจากโศกพ้นจากโรคพ้นจากเวรพ้นจากภายัยพ้นจากอันตรายทั้งปวงขอให้ประสบแต่ในคุณงามความดีประสบปุญกุศลเจริญ ง, งอกงามด้วยศรัทธาศีลสุตะจากข้าปัญญามีปัญญาพอที่จะรู้เห็นพระธรรมคําสอนตามพระพุทธเจ้าถึงความพ้นจากทุกข์ในชาตินี้พ้นทุกข์ในชาติหน้าจบจนประสบอมาตะสุขสุขคือพระนิพพานตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงแล้วทุกคนทุกท่าน ก็ขอโนโมธนาวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้